วันนี้พวกเราจะมาศึกษาวิธีสร้างที่พึ่งที่ถาวอนกันผู้ที่รู้วิธีสร้างที่พึ่งที่ท้าวอนก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอรหันตสาวก ท่านเป็นผู้ที่ได้สร้างที่พึ่งที่ถาวรมาแล้วแล้วท่านก็นำเอาวิธีสร้างที่พึ่งที่ถาวร น, นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราถ้าพวกเรามีศรัทธามีความเชื่อและอยากที่จะได้ ที่พึ่งที่ถาวรเราก็ต้องศึกษาจากพระพุทธเจ้าศึกษาจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาจากพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะท่านรู้ว่าการที่จะสร้างที่พึ่งที่ถาวรนี้ จะต้องสร้างที่ไหนกันพวกเรานี้ยังไม่รู้พวกเราจึงไปสร้างที่พึ่งกันที่ในสิ่งที่ไม่ถาวรแต่ เ, เราไปสร้างที่พึ่งที่ลาบยศสรรเสริญที่รูปเสียงกลิน่นรสโผฏฐพภะ ที่ตาหูจมูกมืนกายที่ร่างกายของเราที่พึ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งชั่วคราวเท่านั้นให้ความสุขกับเราได้ชั่วคราวเวลาเราได้ลาบได้ยศได้สดรรเสริญได้รูปเสียงกลิ่นรสผด พ, พะเบะเราก็มีความสุขกัน แต่สิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งชั่วกราวไม่ถาวรเพราะตกอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาได้มาแล้วก็มีวันหมดไปได้ลาบมาก็หมดลาบได้ยศมาก็หมดยศ เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดสดร้อนร้อนพวกเราคงจะได้ยินกันเรื่องของการเจริญลาบเจริญยศและการเสื่อมลาบเสื่อมยศเรื่องของสรรเสริญที่เสื่อมไปแล้วก็มีขาลหานินทาตามมา เรื่องของความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะที่ได้มาแล้วแล้วก็หมดไปลคงเหลืออยู่แต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเหลืออยู่แต่ความทุกข์ทรมานใจเรื่องของร่างกายก็เช่นเดียวกันร่างกายของเรานี้ก็ไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่ถาวน ร่างกายเกิดมาก็เป็นที่พึ่งของเราได้ไปสักระยะหนึ่งเจ็ดสิบปีแปดสิบปีข้าสิบปีก็ต้องตายกันไปเมื่อไม่มีที่พึ่งใจเราก็ตกอยู่ในภาวะทุกข์ทรมานใจ แล้วแทนที่จะหาที่พึ่งที่ถาวรกันก็กลับไปหาที่พึ่งแบบเก่าเหมือนกับเวลาที่สร้างบ้านอยู่ตามชายทะเลแล้วโดนพายุสินามสินามิคลื่นสินามิพัดเข้ามาทำลายบ้านพังหมด แล้วก็กลับไปสร้างบ้านอยู่ที่เดิมอีกเดี๋ยวไม่นานก็จะคลื่นสีนาไม่อีกก็ต้องพังไปอีกฉันใดพวกเราก็เป็นอย่างนั้นพวกเราชอบสร้างที่พึ่งของเราไว้ที่ร่างกายไว้ที่ตาหูจมูกนิ้นกายไว้ที่ลาบยศสรรเสริญไว้ที่รูปเสียงกลิ่นรสพุถะภา ที่ทุกครั้งก็จะต้องเจอคลื่นสีน้ามืมาพัดทําลายไปหมดพอทําลายไปหมดเราก็กลับมาสร้างกันใหม่อีกพอร่างกายนี้ตายไปสูญเสียลาบยศสรรเสริญสูญเสียความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปก็กลับมาสร้างร่างกายใหม่กลับมาเกิดใหม่ กลับมาหาลาบย ศ, ศรรสรรเสริญกลับมาหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายใหม่ทํากันอย่างนี้มาไม่รู้กี่แสงกี่ล้านรอบแล้วแต่ไม่เคยจดไม่เคยจําเพราะไม่รู้จากวิธีที่ดีกว่านี้ไม่รู้ว่ามีที่พึ่งที่ถาวรจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มาพบกับพระอาหารหันตาสาวกหรือได้พบกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะได้ยินได้ฟังวิธีสร้างที่พึ่งที่ถาวรพระพุทธเจ้าก็เคยใช้ร่างกายเป็นที่พึ่งเคยใช้ลาบยศสรรเสริญ เคยใช้รูปเสียงกลิ่นรสพุทธะเป็นที่พึ่งแต่เพราะองค์ทรงเห็นว่ามันเป็นที่พึ่งชั่วคราวพอร่างกายนี้ใจก็จะในที่สุดก็จะต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปพอร่างกายตายไปแล้วลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะก็ต้องหมดสภาพไปด้วย พระองค์จึงไม่อยากที่จะสร้างที่พึ่งแบบนี้เพราะทรงพิจารณาเห็นว่าถ้ากลับมาสร้างใหม่อีกตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่อีกก็จะต้องมาเจอคลื่นสีนามิแบบเดิมอีกก็คือจะต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายเจอการพัดพรากจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพัฒนาไปอีก พระ อ, องค์จึงพยายามศึกษาค้นคค้นคว้ า, าหาวิธีสร้างความสุขที่ถาวรในเบื้องต้นก็ไปศึกษากับผู้รู้มีพระอาจารย์สองรูปก็สอนให้พระ อ, องค์ได้สร้างที่พึ่งอีกแบบหนึ่งที่ดีกว่าที่พึ่งทางร่างกายทางลาบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกาย แต่ก็เป็นที่พึ่งชั่วคราวเหมือนกันคือการทำใจให้สงบทำใจให้รวมเข้าเป็นหนึ่งเป็นสมาธิเวลาที่จิตรวมเข้าสู่ความสงบเวลานั้นความทุกข์ต่างๆก็จะหายไปหมดเหลืออยู่แต่ความสุขที่วิเศษกว่าความสุขทั้งหลายที่ได้จากลาบยศสรรเสริญ จากตาหูจมูกลิ้นกายแต่พอออกจากสมาธิมาแล้วความสุขเหล่านั้นก็จะค่อยๆจางหายไปเพราะเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาภายในใจอยากจะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพพะยึงไม่รู้จากวิธี สร้างที่พึกที่พื่งที่ถาวรที่ไม่มีความทุกข์เข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจพระพุทธเจ้าจึงต้องทรงศึกษาค้นคว้าด้วยตระองค์งเองต่อไปจนในที่สุดก็ได้พบวิธีที่จะรักษาที่พึ่งที่ได้จากการทำใจให้สงบนี้ให้เป็นที่พึ่งที่ถาวร ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปด้วยพระปัญญายานที่ทรงพิจารณาเห็นว่าที่พึ่งที่ได้สร้างขึ้นจากการทำใจให้สงบเป็นสมาธินี้ถูกตันหาความอยากต่างๆเป็นผู้ทำลายให้หมดไปถ้าอยากจะรักษาที่พึ่ง คือความสุขความสงบทางใจนี้ให้คงอยู่ต่อไปต้องทำลายความอยากต่างๆที่เป็นข้าศึกศัตรูของความสงบของใจนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงพิจารณาสอนใจให้เห็นว่าต่อให้ทำตามความอยากมากน้อยเพียงไรก็ตามสิ่งที่ จะให้ความสุขกับใจตามความอยากนี้เช่นลาบยศสรรเสริญเช่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพนี้จะให้ความสุขเพียงชั่วคราวแล้วก็จะจางหายไปแล้วก็จะทำให้เกิดความอยากขึ้นมาใหม่เวลาความสุขจางหายไปก็รู้สึกไม่สบายใจอยากจะได้ใหม่เกิดความอยากใหม่ขึ้นมา เพราะสิ่งที่ให้ความสุกนั้นมันหมดไปอยากจะให้ความสุขคงอยู่ต่อไปก็เลยต้องไปหามาใหม่หามาเพิ่มอยู่เรื่อยๆได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอต้องสอนใจให้เห็นว่านี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะรักสร้างความสุขสร้างที่เพึ่งให้แก่ทางใจ ให้แก่ใจให้แก่เราวิธีที่จะสร้างที่พึ่งให้แก่เราก็คือทำใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วหลังจากที่ได้สมาธิแล้วก็ให้รักษาความสงบนี้ไว้ด้วยการต่อสู้ทำลายความอยากต่างๆที่จะมาทำลายความสงบนี้ด้วยการพิจารณาให้เหตุว่า การทำตามความอยากจะไม่ได้ความสุขมันจะไม่ได้ที่เพึ่งที่ถาวรจะได้ความสุขชั่วคราวได้ที่เพึ่งชั่วคราวเท่านั้นถ้าอยากจะได้ที่พึ่งที่ถาวรอยากจะได้ความสงบที่ถาวรก็ต้องไม่ทำตามความอยากพอพิจารณาอย่างนี้ก็ทรงสามารถตัดความอยากต่างๆที่ปรากฏขึ้นมา ได้นจนหมดสิ้นไปจนทระทัยของพระองค์ไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่เลยใจก็เลยสงบตลอดเวลามีความสุขตลอดเวลาเป็นที่พึ่งของใจไปได้ตลอดเวลาก็คือความสงบนี้เองความสงบที่ทรงตัดเรียกว่าปรมังสุขขังเป็นความสงบ ที่ถาวรเป็นความสุขที่เต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลาไม่มีวัดไม่มีการลดน้อยลงไปเลยเต็มเปี่ยมเหมือนกับน้ำที่เต็มอยู่ในแก้วไม่มีวันพ้องไม่มีวันหมดนี่แหละคือผู้ที่รู้จากวิธีสร้างที่พึ่งที่แท้จริงที่พึ่งที่ถาวรก็คือ สร้างความสงบให้ถาวรด้วยการปฏิบัติสมาธิและปัญญาการที่จะทำใจให้สงบเป็นสมาธิก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือก็คือสติถ้าไม่มีสตินั่งสมาธิไปจนวันตายก็จะไม่มีวันสงบได้ พราะใจจะไม่อยู่เฉยๆโดยโดยลาพังใจนี้เปรียบเหมือนกับลิงถ้าเราอยากจะจับลิงเข้ากรงเราต้องมีเครื่องมือเช่นเชือกถ้าเราไม่มีเชือกคล้องคอลิงเราจะไม่สามารถจับลิงลากเข้าไปในอยู่ในกรงได้จะไม่สามารถจับตัวมันได้ พราะมันเร็วกว่เราลองไล่จับลิงดูด้วยมือเปล่าดูดูว่าจะจับลิงเข้ามาขังไว้ในกรงได้หรือไม่ผูที่จะจับลิงเข้ามาขังในกรงนี้เขาต้องมีเครื่องมือเขาต้องมีวิธีดักล่อมันจับมันเข้าไปคล้องเอาเชือกไปคล้องคอมันแล้วก็ลากมันเข้าไปในกรง ใจก็เช่นเดียวกันใจก็เป็นเหมือนเหลิงที่ไม่ยอมอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆตั้งแต่เตื่นขึ้นมาจนหลับนี่มีเวลาใดบ้างที่ใจของเราไม่คิดถึงเรื่องนั้นหรือเรื่องนี้คิดอยู่ตลอดวันคิดอยู่ตลอดคืนแม้ในเวลาที่หลับก็คิดเวลาที่เราฝันนี่ก็เป็นความคิดฝันฝันก็เกิดจากความคิดของใจนี่เอง ดังนั้นถ้าเราต้องการให้ใจสงบเป็นสมาธิเราต้องมีเครื่องมือมีเชือกดึงใจให้เข้าไปในกรงสมาธินี้ก็คือกรงของใจนี่เองและสิ่งที่จะดึงใจเข้าไปในกรงได้ก็คือสติสตินี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสแสดง อุบายวิธีสร้างสติไว้ถึงสี่สิบวิธีด้วยกันเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบเช่นมีอนุสติ ส, สิบประการอสุภะสิบประการสากศพสิบประการมีกระสินมีพรหมวิหารสี่สิ่งเหล่านี้เรียกว่าอุบาย สร้างสติขึ้นมาถ้าใจเรามีกรรมฐานสี่สิบอย่างใดอย่างหนึ่งคอยควบคุมความคิดของเราคอยดึงใจของเราให้เข้าสู่ความสงบไม่ช้าก็เร็วใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างแน่นอนส่วนใหญ่พวกเราจะได้ยินอุบายเรื่องของอนุสติกัน อนุสติสิบประการเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติอาณาปณะสติมรณานุสติกายกตาสติเทวานุสตินี่ก็คืออุบายต่างๆที่เราสามารถใช้ในการดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้ ที่เราได้ยินได้ฟังที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนก็มีพุทธานุสตินี้เป็นส่วนใหญ่ส่งสอนให้พวกเราบริกรรมพุทโธพุทโธกันให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้ากันเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปคิดถึงลาบยศสรรเสริญไม่ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโภพพะ ไม่ไปคิดถึงบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเรามีพุทธานุสติมีพุทโธคอยดึงเอาไว้ใจของเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ใจของเราก็จะถูกพุทธานุสตินี้ดึงใจให้เข้าไปสู่ในกรงได้เข้าไปสู่สมาธิได้เข้าไปรวมเป็นหนึ่งได้เป็นเอกขัตตารม เป็นผู้รู้เห็นเป็นศักด์แต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาแล้วก็เป็นความสุขอย่างยิ่งใหญ่อันนี้เกิดจากกำลังของสติสตินี้ต้องต่อสู้กับกำลังของกามฉันทะคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะและความอยากเกี่ยวกับลาบยศ ส, สรรเสิญ เกี่ยวกับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันจะคอยผลักดันจิตใจให้ออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเราจึงต้องใช้เครื่องมือสนับสนุนสติด้วยเช่นศีลแปดศีลแปดนี้ก็จะเป็นเหมือนกับรัว้วกั้นไม่ให้มันออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกาย ให้ให้มันหยุดการกระทาที่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเพราะว่าเป็นการออกของใจถ้ามันใช้ตาหูจมูกลิ้นกายก็สแสดงว่ามันยังคิดอยู่กับเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะนั่นเอง<ฮ>ถ้ามีศีลแปดมันก็จะช่วยร้อมกั้นไม่ให้มันออกไปได้ ไม่ให้มันไปร่วมหลับนอนกับใครไม่ให้มันไปหาความสุขจากการสิ่งบันเทิงต่างๆมอหรสศต่างๆไม่ให้ไปหาความสุขจากการเสริมสวยความงามด้วยเครื่องสาอางด้วยน้ำมันน้ำหอมด้วยเสื้อผ้าอาภรที่วิจิตพิสดารและไม่ให้เสียเวลากับการหลับนอนมากเกินจนเกินไป การหลับนอนนี้ก็ออกไปทางทางร่างกายไปทางผดทะพะสัมผัสกับที่นอนนิ่มๆนะพูกหนาๆ น, นอนแล้วตื่นแล้วก็ไม่อยากจะลุกนอนต่อก็จะเสียเวลาในการที่จะมาเจริญสติมานั่งสมาธิเพื่อดึงใจให้เข้าสู่ความสงบ น, นอกจาก จะรียสติแล้วก็ต้องมีศีลแปดแล้วก็ต้องไปอยู่ในที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงที่จะมาคอยยั่วยวนกวนใจถ้าอยู่ใกล้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะเช่นอยู่ใกล้คนที่เขารับประทานอาหารเย็นอยู่ใกล้คนที่เขาเปิดเครื่องเสียงเปิดจอภาพดูฟังอะไรต่างๆ ถ้าไปเห็นเข้าไปได้ยินเข้าเดี๋ยวก็เกิดความอยากที่จะไปดูอยากจะไปฟังจิตใจจะไม่มีกรจิตกระใจที่จะเจริญพุทธานุสติยังต้องไปอยู่ที่สงบสงัดวิเวกอยู่ห่างไกลจากเรื่องราวต่างๆแสงสีเสียงต่างๆเพื่อจะได้ไม่มายั่วยวนกวนใจ ทำให้ใจเสียสติเสียสมาธินี่คือตัดใจหรืออุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต่อการสร้างที่พึ่งที่ถาวรต้องปีกวิเวกถือศีลแปดรับประทานอาหารพอประมาณแม่รับประทานอาหารมากเกินไปเกินกว่าความต้องการของร่างกาย เพราะจะทำให้ร่างกายอิ่มมากเกินไปก็จะทำให้เกิดความง่วงนอนทำให้เกิดความเกียดคล้านไม่อยากที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธินั่งสมาธิก็หลับลุกขึ้นมาเดินจงกรมก็ไม่ไหวมีท่าเดียวที่เหมาะที่สุดก็คือท่านอนนอนก็หลับหลับก็จะเสียเวลามาก จะไม่มีเวลาพอที่จะมาเจริญสติเพื่อที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้ถ้าปฏิบัติไปแล้วไม่เกิดผลก็จะเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายอินหนาละอาใจขึ้นมาได้ถ้าไม่มีวิธีปลุกให้เกิดสติขึ้นมาปลุกความเพียรขึ้นมาต่อไปก็อาจจะยอมแพ้ได้ ต่อไปก็อาจจะยกธงขาวแล้วก็โทษว่าเป็นวา่าไม่มีวาสนาแต่ความจริงแล้วไม่ได้ใช่ไม่ใช่เรื่องของวาสนาแต่เป็นเรื่องของการที่ไม่มีอุปกรณ์ที่จะมาเสริมความเพียร น, นั่นเองคือไม่อยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงไม่ไปเปริกวิเวกไม่ยอมถือศีลแปด หรือซือสินแปดแล้วก็ถ้ายัางไม่พอก็ต้องเพิ่มมาตรการเช่นมีการอดอาหารบ้างหรือมีการถือเนสัต์ชิกบ้างคือไม่ไม่นอนไม่ล้มตัวลงนอนจะใช้สามวิริยาบทคือเดินยืนนั่งถ้าจะหลับก็ให้มันหลับอยู่ในท่าทั้งสามนี้ท่าใดท่าหนึ่ง <c oughs> ถ้าหลับอยู่ในท่าทั้งสามนี้มันจะหลับไม่นานนั่งหลับได้สักไม่ชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็จะตื่นขึ้นมาเตื่นขึ้นมาก็จะสดชัยสดชื่นเบิกบานภาวนาต่อได้เลยนั่งสมาธิต่อได้เดินจงกรมต่อได้หรือถ้าอดอาหารมันก็จะไม่มีอาการง่วงเหงาหาแนนอนจะไม่มีความเกลียดค้าน เวลานั่งนี้จะไม่สับ ป, ประงกแล้วก็มีกำลังวังชาที่จะเดินจกมกรมนี่คืออุปกรณ์เสริมที่จำเป็นจะต้องมาใช้ในบางกรณีในบางเวลาถ้าเกิดมีอุปสรรคคือความง่วงเหงาหานอนมีความเกลียดคร้านเกิดขึ้นมานี่ เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่เราจะได้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดผลคือได้เกิดที่พึ่งที่ถาวรให้กับเราดังนั้นเราต้องพิจารณาตัวเราเองว่าตอนนี้เรากำลังขาดอะไรอยู่เราปฏิบัติทำไมเราจึงไม่ได้ผล เราอยู่ในที่สงบสงัดวิเวกหรือเปล่าเราถือศีลแปดหรือเปล่าเราจะเจริญสติอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าเรานอนมากเกินไปหรือเปล่ารับประทานอาหารมากเกินไปหรือเปล่าเป็นสิ่งที่เราต้องทบทวนกันอยู่เรื่อยๆถ้ายังไม่ได้เกิดผลขึ้นมา มันก็อยู่กับเรื่องราวเหล่านี้นั่นแหละไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ที่วาสนาบารามีหรืออะไรทั้งนั้นอยู่ที่ความรอบคอบของเราอยู่ที่ความตั้งใจของเราว่าจะสร้างอุปกรณ์เหล่านี้ขึ้นมาเพื่อเสริมความเพียรของเราได้หรือเปล่าเท่านั้นถ้าเรามี แล้วรับรองได้ว่าไม่นานใจของเราก็จะต้องรวมเข้าสู่ความสงบอย่างแน่นอนดังนั้นเวลาปีกวเวกแล้วจึงควรที่จะทาให้มันต่อเนื่องอย่าทำแบบชักเข้าชักออกเข้าสามวันออกสามวันมันก็จะเหมือนกับเดินไปข้างหน้าสามก้าวแล้วก็เดินถอยหลังสามก้าวมันก็เลย ยืนอยู่ที่เดิมถ้าอยากจะให้มันก้าวหน้าไปตลำับตามลําดับก็ต้องปลีกเว่เวกไปอย่างต่อเนื่องถ้าจําเป็นจริงๆก็ต้องให้มีเหตุการณ์จําเป็นจริงๆมาบังคับให้ออกไปไปรับรู้กับเรื่องราวต่างๆถ้าไม่มีความจําเป็นแล้วพยายามปลีกวเวกอยู่คนเดียวจะดีกว่าจะได้ประโยชน์มากกว่า การที่เราไปรับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถึงแม้ว่ามันอาจจะมีความสําคัญและมีประโยชน์แต่ประโยชน์ของมันความสําคัญของมันนี้สู้กับประโยชน์และความสําคัญที่เราจะได้รับจากการเปลีกวิเวกไม่ได้เพราะการปลิกวิเวกนี้จะทําให้เราได้สร้างที่พึ่งที่ถาวรได้ แต่ถ้าเรามาเกี่ยวข้องมาวุ่นวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ได้อย่างมากก็คือที่เพิ่งชั่วคราวที่เพึ่งทางร่างกายที่พึ่งทางราบยศสรรเสริญที่เพึ่งทางตาหูจมูกลิ้นกายดังนั้นบางทีเราก็อาจจะต้องชั่งน้าหนักดูว่าอันไหนสำคัญกว่ากันอันไหนถ้าตัดมันได้ก็ตัดมันไป เก็บสิ่งที่สําคัญไว้ดีกว่าเอาเวลามาสร้างที่พึ่งทางใจดีกว่าเอามาเอาเวลามาสร้างที่พึ่งที่ถาวรดีกว่าเพราะไม่มีใครจะสร้างที่พึ่งอันนี้ให้กับเราได้ที่พึ่งอย่างอื่นนี้บางทีก็ใช้คนอื่นทําได้แต่ที่พึ่งที่ถาวรนี้คนอื่นทําให้เราไม่ได้เราต้องทํา คนเดียวพูดเดียวเท่านั้นและเราก็มีเวลาจํากัดเวลาของเราก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเหมือนกับเวลาที่เขานับถอยหลังในคืนวันขึ้นปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าเขาจะเริ่มนับถอยหลังไปชีวิตของเราก็เป็นแบบนั้นชีวิตของเราก็จะเดินเข้าสู่ วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันก็คือวันตายกันวันตายนั่นแหละคือวันส่งท้ายปีเก่าที่แท้จริงเพราะจะเป็นปีสุดท้ายของเราเราจะไปปีใหม่ก็ไปอยู่ในภพใหม่แล้วไปเกิดใหม่แล้วดังนั้นขอให้เราพยายามดูนาฬิกาอยู่เรื่อย ทุกเวลานาทีที่มันผ่านไปนี้แสดงว่าเวลาอันมีค่าที่เราจะเอามาใช้กับการสร้างที่พึ่งที่ถาวรนี้ก็จะน้อยลงไปทุกทีทุกทีและจะหมดขึ้นมาได้เมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้เพราะเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนตั้งเวลาให้กับเราตั้งเวลาให้เราเหลืออีกกี่ปี เหลืออีกสิบปีเหลือยี่สิบปีเหลือเหลืออีกสิบเดือนเหลือเหลืออีกสิบวันไม่มีใครรู้ถ้าจะรู้ก็บางทีก็กระทันหันเสียแล้วเช่นเป็นโรคมาแรงขั้นสุดท้ายเสียแล้วถึงจะมารู้นตอนนั้นแหละถึงจะไปเปรกวิเวกอย่างจริงๆจังๆอย่างที่ลูกลูกศิษย์ของหลวงตาท่านหนึ่ง พอหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไรขั้นสุดท้ายเหลือเวลาไม่เกินหกเดือนเวลานั้นน่ะถึงไปเปีกเว้เวกจริงๆไม่เอาเรื่องนะอะไรทั้งหมดแล้วทีนี้เรื่องสามีเรื่องลูกเรื่องภรรยาเรื่องทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองเรื่องอะไรจี ป, ปาถะนี้ไม่เอาทั้งนั้นรู้แล้วว่า ภายในหกเดือนนี้จะต้องสูญเสียมันไปทั้งหมดแล้วไปยุ่งกับมันทำไมได้อะไรจากการไปยุ่งกับมันได้แต่การเสียเวลาเสียโอกาสอันดีอันเลิศอันประเสริฐที่จะมาสร้างที่พึ่งที่ถาวนให้กับเราให้กับตนเองลองคิดอย่างนี้ดูบ้างคิดว่าเรากำลังอยู่เป็นคนไข้โรคมะไรขั้นสุดท้าย เพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันเหลื อ, อ ก, กี่วันเท่านั้นขอให้เราเชื่ออย่างจริงจริงจังๆว่ามันเป็นอย่างนี้เถิดแล้วรับรองได้ว่าเราจะกล้าทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแต่เรายังไม่หมอยังไม่เชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นเท่านั้นเองเราไม่เชื่อว่าเราอาจจะตายในวันนี้พรุ่งนี้อาทิตย์หน้าหรือเดือนหน้าก็ได้เราก็เลยยังไม่ได้เอาจริงเอาจัง กับการมาสร้างที่พึ่งที่ถาวรนี้กันยังเสียดายสิ่งนั้นสิ่งนี้ห่วงสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่แล้วมันได้อะไรจากการเสียดายจากการห่วงสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ไม่ได้อะไรไม่ได้ที่เพึ่งที่ถาวรได้แต่ความไม่สงบได้แต่ความวุ่นวายใจเพิ่มมากขึ้นไปได้ความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไป เพราะเราไม่ใช้ปัญญากันไ ม, ไม่พิจารณากันไม่ชั่งน้ำหนักกันว่าการกระทำแบบไหนมีคุณค่ามีประโยชน์กว่ากันทำแบบนี้ได้อะไรแล้วทำอีกแบบหนึ่งได้อะไรไม่เปรียบเทียบกันดูดูพระพุทธเจ้าดูพระอาหารหันตสาวกท่านไปปีกวิเวกัน ท่านไปสร้างที่พึ่งที่ถาวรกันท่านทิ้งหมดทําไมท่านทิ้งได้ทําไมเราทิ้งไม่ได้พอเราทิ้งไม่ได้เราก็ไม่สามารถไปทําอย่างที่พระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายทํากันได้พอเราไม่ได้ทําอย่างที่ท่านทํากันเราก็ไม่ได้ที่พึ่งที่ถาวรกันเสียสักที ก็โมแต่มาได้ที่เพิ่งชั่วคราวกันแล้วก็ต้องสูญเสียมันไปในที่สุดอยู่ดีให้คิดอย่างนี้บ้างให้คิดอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่ใจจะออกไปจากการปีกวิเวกออกไปยุ่งออกไปวุ่นวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ถ้าไม่คิดมันก็จะถูกอำนาจของ ความหลงความอยากมันผลักไปโดยไม่รู้สึกตัวนี่แหละคือปัญญาในระดับของการต่อสู้เพื่อตัดสิ่งที่มาคอยหลอกล่อดึงใจให้ออกจากสนามลบออกจากการปีกวิเวกออกจากการสร้างที่เพิ่งที่ถาวร เราต้องพิจารณาว่าไปทําสิ่งอื่นแล้วมันได้อะไรมากมายเท่าไหร่ได้แล้วมันเป็นสิ่งที่ถาวรหรือไม่ถาวรได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปเหมือนกลับไปสร้างบ้านที่ถูกคลื่นสินามินี้พัดพังไปกลับไปสร้างใหม่เดี๋ยวคลื่นมันก็กลับมาใหม่แล้วบ้านมันก็พังใหม่ อันนี้ก็เช่นเดียวกันไม่ว่าเราจะไปทำเกี่ยวกับเรื่องใดก็ตามตามให้มันดีขนาดไหนก็ตามมันก็ดีแค่ชั่วคราวเท่านั้นแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปอยู่ดีสู้กลับมาสร้างที่เพิ่งที่ไม่มีวันหมดไม่ดีกว่าเลยที่เพึ่งไม่มีวันหมดก็คือความสงบคือสมาธิแล้วก็รักษาความสงบสมาธิ นีไว้ด้วยปัญญาทำลายข้าศึกศัตรูที่จะมาทำลายความสงบนี้จนไม่มีข้าศึกศัตรูหลงเหลือที่จะมาทำลายความสงบนี้ได้ความสงบนี้ก็จะสงบไปอย่างถ้าวรเป็นความสุขอย่างท้าวรไม่ว่าจะมีความทุกข์อะไรเกิดขึ้น กับร่างกายหรือเกิดกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นจะไม่สามารถเข้ามาสร้างความทุกข์ให้กับใจได้เลยเพราะใจมีปรมังสุขขังที่ไม่มีช่องว่างให้มีความทุกข์เข้ามาสู่ใจได้เลยนี่แหละเป็นงานที่พวกเราควรที่จะศึกษา ควที่จะขวนขวายควรที่จะสร้างกันให้ได้ต้องปีกเว้เวกต้องถือศีลแปดต้องมีมาตรการแก้ความเกลียดคร้คานแก้ความง่วงเหงาหานอนแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังไม่ให้เรื่องราวต่างๆมาคอยฉุดลากให้ออกจากการปลีกเว้เวกออกจากการเจริญสติ ให้ใจอยู่กับอารมณ์เดียวให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับให้อยู่พุทโธไปเรื่อยๆหรือให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปตลอดเวลาเรียกว่ากายกตาสติทำอะไรก็ให้รู้อยู่ว่ากำลังทําอะไรนั้นอยู่อย่าให้ไปคิดเรื่องอื่นแล้วพอไม่มี อะไรจะต้องทำก็นั่งหลับตาตั้งตัวให้ตรงจะใช้การดูลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ก็ได้จะใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธเป็นอารมณ์ก็ได้ควบคุมไว้ให้อยู่กับอารมณ์นี้อารมณ์เดียวจนกว่าจิตจะรวมเข้าสู่ความสงบเหลือแต่สักแต่ว่ารู้อุเบกขาและความสุขอันยิ่งใหญ่ ความสุขที่มหัศจรรย์ใจ <c oughs> นี่เรียกว่าเป็นการได้สมาธิหรือมีสมาธิผู้ที่จะออกทางปัญญาได้นั้นควรที่จะได้สมาธิก่อนมีสมาธิก่อนเพราะถ้าไม่มีสมาธิจะไม่มีกําลังในการที่จะใช้ปัญญาฆ่ากิเลสตัณหาได้สมาธินี้ก็ มีมากมีน้อยอยู่ที่ว่าจิตรวมนานไม่นานรวมมากหรือไม่มากถ้ามีสมาธิน้อยก็ยังมีกำลังน้อยถ้าอยากจะให้มีกำลังมาก <c oughs> ก็ต้องพยายามนั่งให้มากทำใจให้สงบให้มากให้นานให้บ่อยทำจนกระทั่งมันมีกำลังมากแล้วพอออกมา ใช้ปัญญาต่อสู้กับตันหาก็จะสามารถฆ่าฟันตันหาต่างๆที่จะมาคอยทําลายความสงบนี้ให้หมดไปได้ <c oughs> <c oughs> นี่คือความหมายว่าต้องมีสมาธิก่อนคาว่ามีสมาธิก่อนนี้หมายความว่าจิตต้องรวมแต่ไม่ได้หมายความว่าพอจิตรวมแล้วก็ให้ พิจารณาทางปัญญาเลยทางปัญญานี้ต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อนเวลาจิตสงบจิตรวมสักแต่ว่ารูน้นี้ปล่อยให้เขาเป็นอย่างนั้นไปให้นานที่สุดจนกว่าเขาจะถอนออกมาเองถอนออกมาแล้วถ้าเรามาพิจารณาปัญญาอย่างสู้ความอยากไม่ได้ก็ควรจะกลับเข้าไปในสมาธิต่อไปอีกกลับไปใหม่เข้าไปให้มาก เข้าไปให้นานเข้าไปบ่อยๆจนกว่าเราจะสามารถทำลายตันหาความอยากต่างๆได้ด้วยปัญญาและขณะที่ต่อสู้กับตันหาข้าตันหาต่างๆเมื่อใจเกิดความเกิดหมดแรงขึ้นมาก็ควรที่จะหยุดควรจะกลับเข้าไปในสมาธิ เช่นบางครั้งต่อสู้กันไปตันหาแต่ละตัวที่ได้คาบมันก็หมดไปแต่แรงก็อาจจะน้อยลงไปแล้วก็อาจจะฆ่าตันหาตัวต่อไปไม่ได้ตอนนั้นก็ควรจะหยุดพักการเจริญปัญญาสลับกับการเข้ามาพักอยู่ในสมาธิมาเติมพลังอุบเบกขา มาเติมความอิ่มความพอเพื่อที่จะได้ออกไปต่อสู้กับความอยากของกิเลสตันหายการปฏิบัติจึงต้องสลับกันเมื่อเข้าสู่ขั้นปัญญาแล้วจะไม่ทําปัญญาเพียงอย่างเดียวจะไม่ทําสมาธิเพียงอย่างเดียวจะสลับกันทำํำเหมือนกับเวลาที่เราไปทํางานทําการเราก็ทําประมาณแปดชั่วโมง พอเสร็จแล้วเราก็ต้องกลับมาบ้านมาพักผ่อนหลับนอนมารับประทานอาหารอีกแปดชั่วโมงแล้วเราค่อยออกไปกลับไปทํางานใหม่ไปทําอะไรต่างๆใหม่ถ้าเราทําแต่งานอย่างเดียวไม่มีการพักผ่อนหลับนอนร่างกายของเราก็จะไม่มีเรี่ยวมีแรงที่จะไปทํางานได้อย่างต่อเนื่องในที่สุดก็จะต้อง ฟุบลงไปสันใดการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันใจของเราก็เหนื่อยได้เหมือนกันหลังจากที่ออกไปต่อสู้กับตันหาความอยากต่างๆพิ จ, จารณาไตรลักษณิจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอสุภะใจก็เกิดความเบื่อหน่ายหรือเกิดความเหนื่อยได้ก็ต้องหยุดมันหยุดแล้วก็กลับเข้ามาสู่ความสงบใหม่ พักใจเสริมความเสริมพลังให้กับใจเสริมอุเบกขาเสริมความอิ่มความพอเสริมความสุขแล้วก็ออกไปต่อสู้ไปฟันกับกิเลสตัณหาใหม่อีกรอบหนึ่งทําอย่างนี้สลับกันไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะทําลายกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไป ท้าหมดแล้วทีนี้ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาายลักอีกต่อไปไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปพักในสมาธิเพราะว่าอยู่ข้างนอกก็ไม่ได้ทำงานอยู่เฉยๆก็เป็นการพักไปในตัวใจไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ความคิดในทางปัญญาใจก็จะไม่มีความ เหนื่อยไม่มีความาเมื่อยล้าจะเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้ในสมาธิอาจจะเข้าถ้ามีความจำเป็นที่ต้องใช้ความคิดในการไปอบรมสั่งสอนเผยแผ่ทำให้แก่ผู้อื่นการสั่งสอนธรรมะก็ต้องใช้ความคิดในทางปัญญาเหมือนกับตอนที่พิ จ, จารณาปัญญาเพื่อต่อสู้กับกิเลสตัณหา เพียงแต่ว่าคําสอนความคิดที่เอาธรรมะออกมาสอนผู้อื่นนี้มันไม่ได้มุ่งไปที่การทําลายกิเลสตัณหาของตนเท่านั้นอาจจะมุ่งไปเพื่อสนับสนุนการฆ่ากิเลสตัณหาของผู้อื่นถ้าผู้อื่นได้ยินได้ฟังแล้วสามารถน้อมเอาไปปฏิบัติได้ก็จะสามารถทําลายกิเลสตัณหาของผู้ที่ น้อมเอาไปฟังเอาไปปฏิบัติได้การฟังเทศฟังธรรมจึงมีประโยชน์สําหรับผู้ที่ยังไม่สามารถคิดได้ด้วยตนเองวิธีที่จะทำลายกิเลสตัณหาต่างๆต้องอาศัยความคิดของผู้ที่ได้ฆ่ากิเลสตัณหามาแล้วนี่เรียกว่าการศึกษาผู้ที่บรรลุ เป็นพระอาหารหันต์จึงมีคำตามหลังว่าพระอาหารหันตสสาวกสาวกก็แปลว่าผู้ฟังพระอาหารหันตสาวกก็หมายความว่าได้เป็นพระอาหารหันต์ด้วยการเกิดจากการฟังจากผู้อื่นคือฟังจากพระพุทธเจ้าหรือฟังจากพระอาหารหันตสาวกพอฟังแล้วก็น้อมเอาไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็จะบรรลุได้ พระอาลัยทั้งหมดยังถือว่าเป็นพระสาวกเพราะเป็นผู้ฟังทั้งนั้นมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ไม่ใช่เป็นพระอาลัยตสาวกแต่เป็นพระอาลัยตะสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเป็นผู้ที่ตัดสรุ้บรรลุเป็นพระอาลัยได้ด้วยตนเองไม่ได้ไปศึกษาไม่ได้ไปได้ยินได้ฟังจากผู้ใดเพราะไม่มีผู้ใดในโลกนี้รู้วิธีที่จะ ปฏิบัติให้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์นั่นเองพระองค์จึงต้องศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองพอได้ทรงตัดสรู้เป็นพระอาหารหันตะเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ทรงมีพระนามว่าพระอาหารหันตะสัมมาสาัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสรู้รมโดยชอบโดยพระองค์เองแต่ผู้อื่นที่บรรลุมาทีหลัง ลวนเป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าหรือจากภาษาวกของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นจึงไม่ได้เรียกตนเองว่าพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เรียกว่าพระอาหารหันตสาวกนี่แหละคือความสําคัญของการฟังธรรมถ้าไม่ได้ยินได้ฟังธรรมเราจะไปรู้จากวิธีสร้างที่พึ่งที่ถาวรนี้ได้อย่างไรเราต้องได้ยินได้ฟังก่อน เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติด้วยความวิริยะอุตสาหะด้วยความศรัทธาความเชื่ออย่างแ น, วแน่วแน่ว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องเพราะมีผู้ที่ได้นำเอาไปปฏิบัติและได้ผลมาแล้วพระอรหันตสาวกทุกรูปนี้เป็นผู้รับรองคำสอนของพระพุทธเจ้า ว่าเป็นสวากขาโตภกวตาธโมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วคือถูกต้องแล้วเป็นไปตามความจริงทุกประการทั้งเหตุและผลจริญเหตุแล้วก็จะได้ผลอย่างแน่นอนดังนั้นพวกเราจึงไม่ควรที่จะมีความลังเลสงสัยเชื่อได้อย่างเต็มที่ทุ่มเทชีวิตจิตใจ ทุ่มเทความเพียรให้กับการศึกษาและการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องไปลังเลไปคิดว่าถูกหลอกหรือเปล่าเหมือนกับเวลาที่คนเขาเอาของปลอมมาขายเราเราก็ลังเลสงสัยว่ามันเป็นของแท้หรือของปลอมเราก็ไม่กล้าซื้อใจนึงก็อยากได้แต่ใจเน่งก็กลัวถูกหลอกแต่มันจะไม่เป็นอย่างนั้นกับ คำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะทมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทนี้เป็นความจริงทั้งนั้นเชื่อได้ร้อยเปอร์เซนปฏิบัติตามได้ร้อยเปอร์เซ็นต์และจะได้ผลร้อยเปอร์เซ็น์อย่างแน่นอนดังนั้นอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นว่าเราจะสร้างความเพียรให้เกิดขึ้นมาได้หรือไม่แล้วก็ต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ที่คอยขัดคอยขวางเลิกคอยคอยฉุดลากให้เราออกจากการปฏิบัติไปการปฏิบัตินี้ไปหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเราต่อสู้ได้รับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็จะต้องได้รับผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับมาอย่างแน่นอนจึงขอให้ท่านจงพยายามสร้างความเพียรกัน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 มาเตผวะตวันตระโยสุขีทีคายุโกผวะอาพิวะธนสีลิษานิจังวุฒาปจายนโนจตารธรรมวัฏานติอายุวันโอสุขังภาลัอ่านใ น, นลำดับต่อไปนี่ ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดยอยากจะถามปัญหาอะไรก็เปิดโอกาสให้ตอนนี้ตอนเดียวถ้าหลังจากปิดไมโครโฟนล้วก็จะไม่ตอบเพราะจะไม่ได้ประโยชน์มากถ้าถามตอนนี้ผู้ฟังผู้อื่นจะได้รับประโยชน์จากคำถามของเราด้วยขอให้ถือว่าเป็นการธรรมทานก็แล้วกันการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง ไม่ต้องมาอับอายกลัวว่าจะขายหน้าผู้อื่นถ้าอยากถ้ากล้ารู้กล้าถามก็ต้องกล้าถามกันตอนนี้ถ้ามาถามตอนที่ปิดไม้แล้วเนี่ยแสดงว่าไม่กล้าจริงอะกาบเขาอกาศค่ะท่านพระอาจารย์นะเจ้าค่ะข้างล่างได้ยินไหมเจ้าค่ะได้ยินค่ะไม่ชีมาจากวัดเขาใหญ่เจริญธรรมยาณสัมปันโนนะเจ้าคะเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมาฟังธรรมที่นี่ ก็ภาวนามาโดยประมาณก็เจ็ดปีแล้วคือใช้หลักมีสติรู้กายใจอยู่ที่ปัจจุบันขณะแล้วก็ใช้พุทโธเนี่เป็นเครื่องอยู่เหมือนที่พระอาจารย์สอนว่ามีเชือกมัดลิงไว้ค่ะและบางขณะ จ, จิตเนี่ยมันก็หนีไปทำอย่างอื่นเช่นไปสวดมนต์ไปอะไรบ้างลมลุกคุกคานอยู่ก็พยายามประคองอยู่เช่นนี้เนี่ยทำอย่างนี้ตลอดไปอยู่กับปัจจุบันอย่างที่สติระลึกได้เนี่ย มันเข้ามรกอยู่หรือเปล่าเจ้าคะหรือว่าจะต้องภาวนาอะไรเพิ่มขึ้นทั้งๆที่สมาธิก็ไม่ดีนักเท่าไหร่เจ้าคะ่ะก็ต้องให้มันรวมให้ได้ถึงจะถือว่าเข้าไปในมรกถ้ายังไม่รวมก็ถือว่ายังร่มรุกคลานอยู่สติยังไม่ต่อเนื่องยังไม่ตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์เดียวก็ต้องพยายามควบคุมต่อไปบางทีต้องหาอุบายวิธีอย่างครูบาอาจารย์ท่านก็เหมือนเรา ท่นก็ล้มลุกคุ ก, กานเหมือนเราท่านบางทีต้องอาศัยสถานที่เป็นตัวไล่ลิงเข้ากรงไปอยู่ในป่าช้านี่มันกลัวมันจะไม่ค่อยกล้าเพ่นพลานไปนั่งอยู่แถวทางที่เสือผ่านนีพอมันรั่วจะมีเสือนี่มันจะเกาะติดกับพุทโธแนว่วแนบไปเลยถ้าลัวผียามานี่มันจะพุทโธพุทโธอต่ถ้าอยู่ในที่ปลอดภัยสบายๆมันก็มันก็ไม่กลัว พอมันไม่กลัวมันก็เลยออกมาเพ่นพ่านแต่ถ้ามันกลัวนี่มันหางหดเข้าไปวิ่งเข้ากรงกันหมดะเจ้าค่ะนี่หมายถึงไม่ชีก็ต้องไปหาที่ที่มันน่ากลัวหน่อยเปลี่ยนสถานที่บ้างใช่ไหมเจ้าค่ะที่วัดก็ได้ตอนคืนลองออกมาดึกๆออกมาเดินไปนั่งบนนอกกุฏิบ้างเป็นนั่งที่ไหนมันที่มันรู้สึกว่ามันน่ากลัวบ้างเอเจ้าค่ะแล้วก็ตรงมันเกิดมาแล้วต้องตายถ้ากลัวตาย ก็จะทําไม่ได้พอดีที่วัดไม่น่ากลัวเลยเจ้าค่ะแต่ที่เคยประสบการณ์ตรงคือเวลาป่วยหนักเนี่ยไม่ชีจะสังเกตว่าป่วยหนักแล้วจิตมันขาดสติมากๆด้วยจากฤทธิ์ยาเนี่ยไม่ชีเห็นสติที่มันขึ้นมาตั้งมั่นสู้กับความความเบลอของจิตที่เกิดจากยาอยู่นะเจ้าคะและทีนี้ก็ทําไปตามนี้แต่อาจารย์กําลังแนะนําว่าต้องอุกฤษกว่านี้ใช่ไหมเจ้าคะจิตจึงจะรวมใช่มันต้อง ม, มีมีอะไรที่มาบังคับให้มันเอาจริงเอาจัง ถ้ามันไม่มีความทุกข์ไม่มีภัยมันจะเฉยๆมันจะนอนใจประมาทเช่อชนอดอาหารก็ช่วยกระตุ้นปสติไดอ้อดอาหารหรื อ, อหรือนั่งนานๆเจ็บก็อย่าไปลุกมัน ส, สู้กับทุกขเวทนาเจริญสติพุทโธพุทโธไปแล้วมันจะไม่มันจะไม่ทุกข์ทางใจสุขค่ะ มันต้องต้องมีมาตรการที่มันให้ทุกมากกว่านี้ใช่ถ้ามันสบายแนละ้วมันจะมันจะติดสุขมันจะขี้เกียจเจ้าค่ะแต่มันทุกมันมีภายรอบด้านนี้มันจะต้องหาที่พึ่งที่พึ่งที่ดีที่สุดก็คือสตินะพุทธานุสติพอกลัวอะไรนี่พุทโทธทียิบเลยไม่พยายามคิดถึงเรื่องอะไรเลยเพราะทีเดียวเดียวมันรวมลงไปเลยสงบเลยเจ้าค่ะ ทุกจะขากับเคารพรำพระอาจารย์เถอะอ่ะใครมีไหมขาบ น, น, นมัติการท่านพระอาจารย์กับผมเดชพบสรีใสจากประชุมท่านนี้ครับก่อนอื่นท่านพระอาจารย์พูดจริงมากครับชักเข้าชักออกคือปฏิบัติได้ดีไประยะหนึง่งปุ๊บเนี่ยก็เฉยหมายถึงว่านอนใจครับเสร็จแล้วปุ๊บนี่ก็คือ กลับมาอุ๊ยเราหายไปไหนล่ะก็กลับมาเริ่มต้นใหม่เป็นจริงมากๆครับเรื่องนี้ครับผมมีคำถามสองคำถามครับเรื่องสติครับสติเหมือนเบรกรถยนต์ใช่ไหมครับพระอาจารย์ก็เหมือนเบรกเหมือนเชือกที่หยุดลิงลิงมันก็เป็นเหมือนรถยนต์ครับถ้าอยากจะให้รถยนต์มันหยุดก็ต้องมีเบรกครับถ้า<ม>อยากจะให้ลิงมันหยุดก็ต้องมีเชือกมัดมั น, มนครับผมจะเจออย่างนี้มากหลายเรื่องครับเช่น เรื่องความสวยควางามนะจึงจะอายุปาดนี้แล้วเนี่ยความอยากในตัณหาเนี่ยมันก็ยังมีนะครับบางทีเนี่ยเราไปเจอหญิงสวยงามเนี่ยปุ๊บเลยนะครับอาจารย์มองปุ๊บคือมันปรุงแต่งไปเลยอาจารย์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอเราตั้งสติได้เอ้ยเราศึกษามาเยอะไม่ใช่เหรว่ามันเต็มไปด้วยสิ่งโสโครกเต็มไปด้วยขี้ในท้องที่คำว่าขี้เนี่ยผมได้จากพระ ที่ในวัดยานครับท่านอาจารย์ถามว่าผมจะลดความสวยได้ไงก็นึกขี้ในท้องท่านพระอาจารย์บนเขาเคยสอนเพราะว่าเนี่ยมันก็ได้ผลครับแต่ว่ามันไม่เหมือนเบลจึ๊กทีเดียวมันคือพอไปปุ๊บเนี่ยไปคอยหลังไปมองตามหลังไปแล้วถึงมาคิดนะครับอาจารย์ว่าเอ้ยทําไมเราต้องไปคิดอย่างนั้นทําไมเราต้องไปปรุงแต่งแบบนั้นคือเราจะทํำไงให้เหมือนเบลที่ว่ามาถึงหยุดจึก๊กอย่างที่อาจารย์พูดครับก็ต้องคิดอยู่เรื่อย ไม่ใช่เฉพาะเวลาไปเห็นของสวยของงามเท่านั้นต้องเตรียมไว้ก่อนทำการบ้านไว้ก่อนอซ้อมไว้ก่อนเหมือนกับเวลาเราจะหยุดรถนี่แล้วแต่เบรกปับ๊บมันไม่หยุดทันทีมันต้องวิ่งไปสักยี่สิบสามสิบเมตรมันถึงจะหยุดได้ครับผมบางทีเราเรารู้ว่าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพยายามสัมรวมตัวเองครับพอาจารย์เดินปุ๊บเนี่ยเราจะไม่พยายามวกแวกจะพยายามเดินก้มหน้าไม่มอง บจนบางคนก็ถามว่าทําไมก้มหน้ามองหาสตังเหรอะอะไรอย่างเงี้ยนะคนที่ไม่รู้แต่ว่าเรารู้ว่ามันเป็นงี้ปุ๊บเราต้องพยายามหรีกเที่ยงแต่ว่าบางทีเราไปถึงกรุงเทพปุ๊บเนี่ยโอ้โหเป็นเยอะแยะเลยอยู่ที่ชนบุรีเนะี่ยอาจจะนะไม่เท่าไหร่แต่ไปที่นั่นปุโอ้โหมองซ้ายมองขวากูจะเหมือนเยอะขนาดคือมันปรุงแต่งขึ้นมาทันทีครับท่าน อ, อาจารย์เรื่องอย่างนี้ก็คือผมไปดูแม้กระทั่งวิดีโออสุภัส ก, กรรมฐานที่ว่าเผาศพนะครับที่เห็นแต่ ไม่ว่าที่อินเดียในยปานหรือว่าในเมืองไทยก็แล้วแต่เนี่ยนะครับพยายามคิดนี้เรื่อย ๆ, ๆ, ๆนะครับแต่ว่าพอไปเจอของจริงปุ๊บนี่สติมันมันไม่หยุดจึกเหมือนเบรกเลยจนกระทั่งค่อยหลังไปโอ้เรานี่มันยังห่างไกลเลยเกิน ค, ความรู้สึกเป็นอย่างนั้นท่านอาจาร <fue hammer> ย์ก็ต้องเจริญบ <f> ่อยๆเจริญอสุภะบ่อยๆการเจริญอสุภะนี่ก็เป็นเจริญทั้งสติทั้งปัญญาควบคู่กันไปให้ใจเราอยู่กับภาพที่ไม่สวยงามของร่างกาย เราทุกครั้งที่เราเห็นร่างกายของใครเราก็ต้องนึกถึงภาพเหล่านั้นทันทีไม่ว่าบุคคลนั้นจะสวยหรือไม่สวยดูให้มันเป็นนิสัยไปครับครับดูของเราก็ได้ครับท่านอาจารย์ครับการเดินจงกรมสามารถบรรลุทําได้ไหมครับมันไม่ได้อยู่ที่เดินหรือนั่งอยู่ที่มีปัญญาหรือไม่มีปัญญาอย่างเช่นผมเดินเดินไปเดินมาปุ๊บเนี่ยนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยไปหยุดปุ๊บ คือมองลงไปเห็นที่เท้าตัวเองนะครับเห็นที่เท้าบอกโอ้เท้าเรามันเป็นข้ออย่างนี้เป็นกระดูกอย่างนี้มันเหมือนต่อไปคงจะต้องถูกเผาเหมือนที่กองเพลิงที่เห็นในอสุภกรรมฐานคือต่อไปเนี่ยลักษณะอย่างนี้มันคงต้องเสื่อมไปคือลักษณะคิดอย่างนี้มันถือว่าเป็นปัญญาไหมครับอาจารย์หรือว่าเป็นยังไงหรือว่าคิดเอาเองอันนี้เป็นการทําการบ้านเนี่ยยังไม่เจอความตายออืถ้าหมอบอกว่าเป็นมะเร็งเนี่ยดูซิว่าจะเป็นยังไง ถ้าเฉยก็แสดงว่าเป็นปัญญาอถ้าเครียดขึ้นมาก็เป็นกิเลสเป็นสัญญาครับผมข้อที่สองครับก็คือสติเหมือนกันครับคือผมเป็นหลายอาทิตย์ก่อนครับมานั่งนั่งข้างล่างอ่ะนะครับเสร็จแล้วปุ๊บนี่ก็คือป้าจารย์กําลังเทศอยู่นะครับเสร็จแล้วนี่ก็คือก็มีรถมาจอดปุ๊กนะครับเสร็จแล้วก็เสียงก็ดังเลยนะครับคือไอ ความโกรธมันพุ่งมาในใจเราบอกเฮ้ยเขาไม่รู้เหรอว่าอันนี้คือกําลังพูดหมายถึงว่าคําพูดเทศของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดถึงนะนะมันเป็นบาปนะแต่ว่าสักพักหนึ่งพุบอ๋อเขาคงไม่รู้เขาคงไม่เข้าใจว่าเป็นอย่างนี้ลงมาเดินลงทัพแกะกๆแก ๆ, ๆ, ๆอย่างเงี้ยอาจารย์เราเรานึกถึงความรู้สึกมันโกรธขึ้นมาทานันทีเลยแต่ว่าเฮ้ยเขาคงไม่รู้มัง้งถ้าอย่างนั้นอะ แต่ว่าก็นึกสงสารเ็าว่าอันนั้นเป็นบาปนะคือลักษณะอย่างนี้ก็คือมันมันคือความโกรธที่มันขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราคิดได้ตอนหลังเนี่ยมันถือว่ามันยังจะพอมีสติไหมครับอาจารย์หรื อ, อยังไงก็ดีกว่าไม่มีเลยมันชนแล้วมันถึงค่อยรู้เฮ้ยเ <c oughs> บรกไม่มีเนีทางถ้าดียิงมันต้องเฉยตลอดเลยตั้งแต่ได้ยินเสียงก็เฉยแล้ว ไม่ใช่เรื่องของเราอนัตตาห้ามมันไม่ได้เหมือนทำเป็นเสียงนกเสียงกาวไม่ไปโกรธมันน่ะเพอาะเสียงนกไปโกรธมันทําไมมันก็เสียงเหมือนกันนะแต่ผมผมมีแค่นี้ครับยังไม่รอบครอบยังไม่พิจรารณาเอยังไม่พิจารณาเห็นอนัตตาเข้าใจไหมจัตุ<笑><笑>สัตเตยธรรมานัตตาทำทั้งปวงเราไปห้ามไม่ได้ไปสั่งไม่ได้ ต่อไปเป็นคำถามจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะคำถามแรกจากคุณกะนกพ ร, พรภัยสารอัศวเสนีข้อที่หนึ่งหลังจากที่เราสวดมนต์หรือนั่งสมาธิเสร็จแล้วเราควรอุทิศบุญกุศลของเราให้กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพมูมพระอินทรเทวดาหรือไม่คะเหมือนกับเรา ได้เงินมาร้อยบาทแล้วเราก็จะเอาไปให้มหาเศรษฐีเอาไปให้ท่านทําไมเราของเรายังไม่พอกินพอใช้จะไปให้มหาเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านทําไมข้อที่สองและสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจะได้ผลบุญที่เราอุทิศหรือเปล่าคะบุญที่ได้จากการสวดมนต์นี้เป็นความสงบมันเป็นบุญเฉพาะตัวแบ่งให้คนอื่นไม่ได้ ข้อที่สามและการที่เราอุทิศผลบุญที่เราทําให้แก่สัตว์ทั้งหลายจะเป็นผลดีอย่างไรแก่เราคะก็เราจะได้ได้เพื่อนไงไ ด, ด้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายผู้ที่มีความเมตตาแบ่งปันความสุขของตนให้แก่ผู้อื่นย่อมเป็นที่รักของผู้อื่นเสมอข้อที่สี่ดิฉันเห็นมีผู้คนจํานวนมาก จะขอรับประทานอาหารก้นบาดจากหลวงตามหาบัวหลังจากที่ท่านจังหันเสร็จแล้วคนเหล่านั้นบอกว่าฉันอาหารก้นบาดหลวงตาจะทำให้มีปัญญามากขึ้นดิฉันก็กินบ้างคำแรกรู้สึกทุกข์ เพราะเรานึกถึงปฏิกูลทั้งหลายจากน้ำเลือดน้ำเหงือ่อน้ำหนองเป็นต้นดิฉันคิดว่าเป็นบาปไม่ใช่บุญดังนั้นจึงทรมานตนเองโดยกินอาหารก้นบาทของพระรูปอื่นเวลาที่เขาเอองมาเทรวมๆกันในถาดถามว่าดิฉันทำถูกไหมคะและดิฉันจะฝึกเจริญสติเจริญปัญญาด้วยวิธีนี้ได้ไหมคะ คือการรับประทานอาหารก้นบาสนี้เป้าหมายที่แท้จริงก็คือเป็นการฝึกใจเราให้ไม่เลือกกินอาหารชนิดต่างๆให้มองเห็นอาหารว่าเป็นเพียงยารักษาร่างกายมันจะอยู่ในสภาพไหนรูปรักษณะอย่างไรก็ไม่สําคัญสําคัญที่ว่าเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วมันดูแลรักษาร่างกายของเราไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ให้ตายได้คือกินแบบกินยาถ้าเรากินทุกวันนี้เรามักจะกินแบบกินเลตันหาคือเราต้องเลือกอาหารอาหารชนิดนั้นเรากินอาหารชนิดนี้เราไม่กินเพราะเราไม่ชอบการที่เรากินข้าวคนแบาบปเพราะพระท่านฉันแบบแบบธรรมะคือท่านฉันแบบไม่ได้ฉันเพื่อกิเลสถ้าเอาอาหารต่างๆมารวมกันในบาศ มันก็เลยดูรู้สึกว่ามันไม่น่ารับประทานอันนี้ก็เพื่อที่จะได้ตัดกิเลสตัณหาความอยากรับประทานอาหารให้รับประทานอาหารด้วยความจำเป็นจำใจไม่ได้รับประทานด้วยความอยากเพราะถ้าอยากแล้วมันรับทานเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่อิ่มอิ่มกายแต่ใจมันไม่ยอมอิ่มเพราะความอยากนี้มันไม่มีวันที่จะหมดไปมันมีแต่จะเพิ่มมากขึ้น การที่เราได้กินอาหารก้นบาาก็เป็นเหมือนกับการแกการฝึกกินอาหารที่เราไม่ชอบรับประทานแล้วเราควรจะเอาไปปฏิบัติต่ออันนี้สำคัญสำหรับผู้ที่ปฏิบัติภาวนาเพราะต้องการที่จะมีการรับประทานอาหารพอประมาณคือไม่รับประทานมากจนเกินไป และจะทเพราะจะทำให้เกิดความเกียดค้านเกิดความง่วงเหงาเหงาน อ, นอนขึ้นมาและจะช่วยผู้ที่อยากจะอดอาหารเพราะว่าเวลาอดอาหารเราไปนึกถึงสภาพของอาหารที่ไม่น่ารับประทานมันก็จะดับความหิวทางทางใจได้ก็สามารถที่จะอดอาหารได้ทำให้ไม่ง่วงเหงาหงานอนทำให้เสริมความเพีย ทำให้มีกำลังวังชาที่จะปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องนี่คือความหมายของเรื่องการรับประทานอาหารข้าวกลนบาทเพื่อจเจริญเขาเรียกว่าอาหารเลยปฏิกูลสัญญานี่องอาหารเลยปฏิกูลสัญญาแปลว่าดูความเป็นปฏิกูลของอาหารพวกเราพยายามที่จะแต่งปรุงอาหารให้มันดูสวยงามน่ากิ น, นรับน่ารับประทาน ถ้าเอาแบบเยอะๆเล็กๆมาให้กินนี่มันจะกินไม่ลงอย่างท่านเจ้าคุณนอร์นี่ทราบว่าท่านให้เขาเอาเอาผักเอาถั่วเอาข้าวมาตําำจนกระทั่งมันเป็นเหมือนกับกะปิแล้วก็ท่านก็รับประทานอย่างนั้นอรับประทานเพื่ออยู่จริงๆไม่ได้รับประทานเพื่อกิเลสตัญหาแล้วจะรับประทานไม่มากเพราะมันไม่อยากจะรับประทาน มันฝืนมันบังคับเพราะถ้าไม่รับประทานมันก็หิวมันก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายได้นี่แหละคือความเป็นมาของเรื่องการรับประทานอาหารข้าวกลันบาตแต่ญาติโยมไม่รู้กับคิดว่าเป็นพระธวัฒน์พัทธาดใบกินแล้วได้กินพัทธาดของครูบาอาจารย์กินแล้วเป็นสิริมงคลจะร่ําจะรวยขึ้นจะเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเพราะไม่มีการศึกษา ูบาาจารย์ท่านบางทีก็ไม่มีเวลามีโอกาสที่จะมาสั่งสอนอธิบายให้เข้าใจคำถามข้อต่อไปจากคุณท่านปอแผงเอเชียคำว่าทิ้งขันของพระอาหารหันต์เพื่อเข้าสู่นิพพานขันในที่นี้หมายถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมครับ ก็โดยหลักก็คงจะละรูปประคัคือร่างกายที่มันจะต้องตายไปส่วนนามขันนี้มันยังอยู่กับใจอยู่มันก็ไม่ต้องละมันก็เป็นของคู่กับใจเพียงแต่ว่าท่านสามารถที่จะควบคุมมันได้ให้มันไม่ทำงานได้เช่นเวลาท่านเข้าสู่ความสงบใจรวมเป็นหนึ่งขันก็หยุดทำงาน ถ้าออกจากความสงบมันจะคิดก็สามารถควบคุมไม่ให้มันคิดไปในทางที่จะสร้างความทุกข์ขึ้นมาได้แต่ถ้าใจของท่านมันมันสงบแล้วมันพอแล้วมันก็ไม่รู้จะคิดไปหาอะไรมันก็จะหยุดไปนอกจากมีเหตุมาทำให้ต้องคิดเท่านั้นเองเช่นเวลาต้องแสดงธรรมอก็จะคิดขึ้นมาเวลาที่ไม่มีร่างกายมันไม่มีอะไรมามา ทำให้ใจกับเพื่อนใจมันเลยไม่รู้เะไปคิดถึงไข่ถึงอะไรเพรา ะ, ะเหมือนกับช่องทางของความคิดช่องทางที่จะเข้ามากระตุ้นความคิดมันมันหมดไปใจมันก็จะว่างสักแต่ว่ารู้ไปแต่ไม่ได้หมายความว่าจะคิดไม่ได้ถ้าท่านจะคิดเพราะว่าเท่าที่ได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกว่าเวลานั่งสมาธิบางทีก็มีพระอาหารหันต์มีพระพุทธเจ้า ามาสนทนาธรรมด้วยก็ต้องมาจากนา ม, มขันของของท่านนี่แหละในเมื่อท่านไม่มีร่างกายแล้วท่านก็ยังมีนามขันอยู่ท่านก็ยังมีสังขาร ส, สัญญาสังขารวิญญาณเวทนาอยู่ท่านก็สามารถใช้สังขาร ส, สัญญาสังขารวิญญาณ น, นี้ติดต่อกับดวงจิตดวงใจของผู้อื่นได้อยู่ คำถามต่อไปจากคุณประยูนยหานจิตใจก็เป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเกิดดับตลอดที่ว่าใจนั่นถาวรลึกซึ้งเกินกว่าผมเข้าใจขออาจารย์ช่วยชี้แนะอธิบายด้วยครับคือจิตใจนี้เป็นตัวที่ถาวรคือตัวรู้นี่ถาวรรู้อยู่ตลอดเวลาไม่มีวันเปลี่ยนไป แต่สิ่งที่มันเปลี่ยนคืออารมณ์ต่างๆที่อยู่ในใจใจนี้มีอารมณ์เหมือนกับน้ำที่มีปลามีอะไรต่างๆปลามันก็เกิดตายในในน้ำน้ำขันหรืออารมณ์ต่างๆที่เกิดจากขันมันก็ยังเกิดดับเกิดดับอยู่อันนี้ไม่เที่ยงแต่ตัวผู้รู้นี่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง รู้ตลอดเวลาเพียงแต่ว่ารู้แบบผู้รู้หรือรู้แบบผู้หลงถ้ารู้แบบผู้หลงก็เกิดตัณหาความอยากเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้ารู้แบบผู้รู้ก็จะไม่หลงก็จะไม่เกิดตัณหาเกิดความอยากเกิดความทุกข์ขึ้นมาคำถามต่อไปจากคุณวสันบัญหารเริ่มแรกของการปฏิบัติหากยังไม่เข้าใจสมาธิ แต่เกิดเวทนาก่อนให้พิจารณาเวทนาหรือไม่สนใจให้มุ่งสมาธิก่อนครับถ้าพิจารณาเวทนาได้ก็พิจารณาไปคือพิจารณาว่าเป็นอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ปล่อยมันได้หรือเปล่าถ้าพิจารณาแล้วปล่อยมันได้มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปใจไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับมันใจก็เข้าสู่สมาธิได้ ถ้าพิจารณาไม่ได้ก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทธโธบริกรรมพุทธโธหรือทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนพุทธโธก็ได้เช่นสวดมนต์ไปก็ได้อิติปิโสหลังส้ำ ม, ม า, าแล้วก็ใจถ้าไม่ไปสนใจกับทุกขเวทนาใจก็จะไม่ทุกขกับมันใจก็จะสงบได้ก็มีสองวิธีวิธีที่เรียกว่าสติกับวิธีที่เรียกว่าปัญญา ตาสติก็บริกรรมพุโทโธไปสวดมนต์ไปให้มีอะไรยึดเหนี่ยวกับจิตใจเพื่อที่จะไม่ไปคิดถึงทุกขเวทนาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปเพราะถ้าเกิดความอยากปั๊บนี้มันจะเกิดความทุกซ้อนขึ้นมาที่รุนแรงกว่าทุกขเวทนาคือทุกในอริยสัจอันนี้ที่เราทนไม่ได้ไม่ใช่ทุกขเวทนาไม่ใช่ความเจ็บของร่างกาย แต่ความเจ็บของใจที่เราทนไม่ได้ถ้าเราป้องกันไม่ให้ความเจ็บของใจเกิดขึ้นได้เราก็จะนั่งอยู่กับทุกขเวทนาได้บทคำถามจากทางอินเทอร์เน็ตแล้วค่ะหลวงพ่ อ, อมีใครอยากกระถามไหม่เดี๋ยวปิดไม้แล้วอย่ามาถามนะอ้าวยกเบืองแล้วเจิญครับผมสุชาติโอวาบรรจุลรนะครับจากกรุงเทพครับคือมีลูก เป็นดาวซินโดรมเนี่ยนะครับทีนี้อยากได้ธรรมะที่สําหรับในการเลี้ยงลูกพิการเนี่ยครับคุณพ่อครับเลี้ยงเหมือนหมาตัวหนึ่งก็แล้วกันหมามันก็เหมือนดาวซินโดมคุยกับมันไม่ค่อยรู้เรื่องก็ต้องเลี้ยงมันให้มันมีข้าวกินมีน้ํำดืม่มแล้วมันจะวิ่งเต้นจะเล่นอะไรก็ช่างหัวมันแล้วเดียวมันก็แก่เจ็บตายไปเหมือนกันลเลี้ยงมันเหมือนเลี้ยงสัตว์ตัวหนึ่งสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งไปเพราะฐานะจิตของเราก็เหมือนกับเป็นสัตว์อยู่ดีๆนี่เอง เพียงแต่ว่ามีร่างกายแต่ทภาพจิตใจเขาไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานครับแล้วผมไปศึกษาอ า, าจารย์ท่านหนึ่งท่านสอนให้นั่งสมาธิเพื่อแก้กรรมกรรมเก่าเนี่ยมันแก้ได้จริงไหมครับหลวงพ่อครับคือหยุดกรรมใหม่เท่านั้นแก้กรรมเก่าไม่ได้กรรมเก่าทําแล้วมันก็ต้องเกิดผลขึ้นมาแต่เราหยุดกรรมใหม่คือหยุดกลับมาเกิดเนี่ยนั่งสมาธิแล้วก็จะเรียนวิปัสสนา ตัดตันหาความอยากได้หมดก็ไม่ต้องกลับมาเกิดพอไม่เกิดก็ไม่มีเมียไม่มีลูกที่จะต้องมาทุกแบบที่เรากําลังทุกอยู่ในตอนนี้ครับข้อที่สามนะครับแล้วการที่ลดน้ำมนต์ต่างๆเนี้ยมันสา ม, มารถแก้ความทุกได้ไหมครับเราแก้ได้ปะถ้าแก้ได้คงไม่มาถามใช่รับก็เป็นน้ําอ่ะยัง อย่างพระพระพยอมท่านบอกว่าถ้าน้ำมนมันวิเศษจริงก็นิมนต์พระไปที่ปะปาเลยไปนั่งสวดที่ปะปา <laughs> <laughs> ส่งไปตามท่อเลย <laughs> มันจะไม่มีความทุกเลย <laughs> มันคำถามถามมีใครอีกไหมอยากจะถามคำถามถ้าปิดไมแล้วอย่ามาถามนะี่หมอก็าเออกจากปเทมา ไม่มีแรงถามอ่งยาวไม่ยังยังไม่ตัองหมอ่าอย่างนแม้พอก็ไม่อยากจะถามว่าอยากจะให้เขาถามจิตสงบมากถึงไม่ถามอ่าถ้าอย่างนั้นก็ขอยุติการประชุมสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิษพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิด